นะนั่นเองระหว่างที่ทุกคนตกอยู่ในห่วงพะวังคิดหนะักต่างก็ผวารู้สึกตัวขึ้นเพราะเสียงเจ้าด้วนที่ร้องแปรนดังลั่นขึ้นต่างหันควัมไปทางมันเป็นตาเดียวแล้วดารินก็ดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ในบัตรนั้นคราวนี้แหละมันจะได้พิสูจน์กันชทีว่าเจ้าด้วนมันจะช่วยเราในการเดินทางครั้งนี้ได้แค่ไหน ลุงอินและพี่กลางก็ยอมรับแล้วว่าหมดปัญญาก็ขอให้น้อยลองเสียงไทยกับเจ้าด้วนบ้างได้ไหมเพราะมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วนี่กล่าวจบหล่อนก็เดินตรงเข้าไปยังช้างป่าแสนรูคู่บารมีทันทีพี่ชายและเพื่อนเดินตามเข้ามาด้วยหล่อนเข้ามาหยุดยืนประจันหน้ากับเจ้าด้วนประกาศออกมาดังๆ ด, ด้วนพวกเราหมดทางที่จะผ่านเข้าถ้ำนากราช ตามที่หวังไว้แต่แรกใช่แล้วจากที่เห็นอยู่นี่แล้วเธอก็รู้ล่วงหน้าถึงได้มาขวางดักอยู่เอาล่ะมีทางไหนบ้างไหมที่จะทําให้พวกเราทั้งหมดตัดผ่านภูเขาอินซีอันเต็มไปด้วยอันตรายนี้ไปได้ในระยะทางที่ปลอดภยัยแล้วก็ย่นย่อที่สุดเราต้องการผ่านเทือกแรกนี้ไปให้ได้ก่อนเท่านั้นเธอน่าจะรู้ทางดีกว่าพวกเราทุกคนนะ คดจสารใหญ่ผู้พักดีกะหล่อนเป็นพิเศษเรากับจะเคยเป็นคู่บุญกันมาแต่ชาติก่อนยืนโครงตัวอยู่อึดใจต่อจากนั้นมันก็เริ่มก้าวเท้าออกเดินไปอย่างช้าๆโดยเลี่ยงตัดเฉียงออกไปซีกซ้ายมือของปากถ้ำนากคราชอันเป็นเนินของป่าหินและเมื่อเดินไปได้ประมาณสักเจ็ดแปดเก้าก็หันกลับมามองหล่อนอีกครั้งเหมือนจะเป็นอาการบอกให้ตามมา ว่าไงคะพี่กลางลูอินเราจะตามล่วนไปหรือว่าจะแสวงหาทางกันเอาเองหล่อนหันไปถามวิชายกลางกับพรานเท่าเพราะคนที่จะขัดขวางหล่อนมากที่สุดก็มีอยู่เพียงแค่สองคนนี้เท่านั้นอนุชา ย, ยิ้มกร่อยๆหันไปทางพรานคูชิพแต่ก็พยักหน้าลงอย่างยอมจำนนไม่มีทางเลือกแล้วนี่นายชด เราเหิงจะต้องทําตามที่นายหญิงว่าเสแล้ว น, น้าอินก็เจนบัญญาจริงๆเพราะทางที่คิดจะนําเข้าไปก็เข้าไม่ได้เสแล้วนี่อดีตพรานชดเข้ามาตบไหล่น้องสาวด้วยแรงน้าลพี่และลุงอินจะลองเชื่อน้อยดูบ้างแล้วก็หันไปรองบอกพักพวกทุกคนรวมทั้งลูกหาบที่รอคอยการตัดสินใจประกาศดังๆว่าเอาไปทุกคน เดินตามไม่ด่วนไปดูที่ว่ามันจะพาเราไปทางไหนเดินทางขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนตามหลังการเดินนำอย่างช้าๆของเจ้าด้วนไปในทันทีโดยเลี่ยงจากปากถ้ำนักคราชไปซะเทศทาเคียงประกบไปกับน้องสาวคนเล็กอบแขนอบกอดคอไว้น้อยในที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่น้อยพูดไว้นั่นแหะเดี๋ยวนี้พี่เชื่อแล้วว่าเจ้าด้วนมันจะต้องนำทางเราไปได้แนๆ่ๆแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการน้อยบอกไว้ทุกอย่างก็ไม่ผิดไปหรอกมันร่วมขบวนกับเราเข้ามาในนรกดำอย่างที่น้อยบอกไว้ทุกอย่างนี่อย่าเสือกพาไปป่าช้าช้างหรือพาวกไปปลวกน้องน้าแห้งกันแล้วกันโอ้ย เสียงชัยยันพูดเบาๆปนหัวเราะมันคงไม่พากลับหนองน้ำแห้งโดยไม่มีระพินหรือพาไปป่าช้าช้างอย่างที่เธอว่ารอกชัยยันแต่ถ้าเป็นป่าช้าผีดิบหรือสุสานของนิทรานครน่ะไม่แน่เพราะฉันพยายามภาวานาส่งกระแสจิตบอกมันให้มันนำไปยังจุดนั้นก่อนดารินบอกมาแผ่วเบาในความคิดหนะักหืม สุสานนิทรานครเนอะชยันทวนคำแกมันพาไปทำไมที่นั่นเหรอน้อยนิชัยันถ้าเรายังทาลายมันไรยังไม่ได้เราไม่มีทางจะพบคณะของรรบพินหรอกหนทางเดียวที่เราจะทําลายมันไรให้ได้อีกครั้งก็คือให้มันพาเราไปที่สุสานนิทรานครเป็นแห่งแรกเพราะมันไรกับพวกผีดิบของมัน ที่ขนกันออกมาจากสุสานนิทรานคร่ะเป็นอันตรายที่สุดสําหรับฝ่ายเราและฝ่ายระพินถึงระพินเองก็เหมือนกันฉันแน่ใจนะว่าก่อนอื่นเขาคงจะมุ่งหน้าค้นหานิทรานครในอดีตที่เราพบกันมาแล้วเพื่อจะหาทางกําจัดมันไรก่อนจะคืบหน้าไปที่อื่นแล้วอะไรทำให้เธอแน่ใจอย่างนั้น่ะน้อยเพื่อนชายถามอย่างสงสัย ก็บอกไม่ถูกอะแต่ฉันแน่ใจอย่างงั้นก็แล้วกันระยะนี้ระหว่างเรากระพินอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยเท่านั้นเขาบ่ายหน้าไปทางหนึ่งเราก็บ่ายหน้าไปทางหนึ่งแต่เชื่อเถอะว่าจุดหมายแรกนับตั้งแต่ออกจากคุ้ยสือร้องคงเป็จุดหมายเดียวกันคือนิทรานครอันอาถันกรพินก็ต้องตระหนักดีว่า คณะของเขาจะรอดปลอดภัยเดินทางคืบหน้าต่อไปได้เขาต้องกำจัดมันไตรให้ได้ซะก่อนถึงฉันจะไม่ใช่แง้สายแต่ในข้อนี้ฉันเชื่อว่าฉันอ่านแนวความคิดของเขาออกเพราะไอ้ผีร้ายหมื่นปีตนนั้นน่ะมันกำลังจองล้างจองผลาญเขาอยู่ทุกระยะจากหลักฐานที่เราค้นพบมาตลอดมันจ้องเล่นงานจองเวรทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเรานั่นแหละ แล้วแล้วสังหาหรืองูไฟนั่นล่ะนั่นนะ่ะฉันไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายต่อเราหรือระพินหรอกตรงนั้นข้ามนะถ้าเรารู้เคล็ดอะไรเสนหน่อยและปฏิบัติตัวให้ถูกฉันว่าเขาอาจจะเป็นคุณแต่เราก็ได้ก็สังเกตดูจากซากของไอ้พวกศัตรูของเราที่ถูกเผาไหม้เป็นถ่านไปเหล่านั้นดิทั้งสองพูดกันเองเบาๆตามลพาพังสองต่อสอง โดยที่คนอื่นไม่ได้ยินด้วยช้างใหญ่อันไกลเป็นเพื่อนคู่ชีพของดารินเริ่มเดินนำไปเรื่อยๆตามแนวโขดหินที่มีระดับสูงขึ้นไปเป็นลําดับแต่ขนทางไม่ล่าชันเกินไปนักการเดินของมันไม่ทิ้งห่างฝ่ายมนุษย์ที่ยกขบวนติดตามมาเบื้องหลังมีการส่อชัดว่าผ่อนฝีเท้าการเดินของมัน เพื่อสังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็ปล่อยให้กระดึงที่ปลูกคออยู่ดังแววมาให้ได้ยินเป็นระยะระยะขุนทางนั้นเดินไม่ยากโดยผ่านไปในระหว่างแก่งแง่โขดผาศิลารายไปตามลำดับไม่มีต้นไม้ให้เห็นเลยซักต้นนอกจากหินและหินเท่านั้น บางขณะก็บายหน้าลงต่าสลับกันอยู่หลอนแล้วหลอนหลับสิงสัตว์จะตุระบาทหรือแม้แต่นกสักตัวก็มองไม่เห็นแสดงว่ามันแหลงทั้งพืชและสัตว์เป็นหนทางที่ไต่ไปตามเนินเขาโดยที่แม้แต่นานอินเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนและไม่กล้านําเดินถ้าหากไม่มีใครเป็นผู้ชีน้นําเพราะไม่มีสัญญาณบอกชัด ว่ามันจะนำไปสุดจุดใดท่ามกลางเปลวแดดที่แผดเปรี้ยงของตะวันบ่ายและความระอุอบอ้าวแต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านกันมาแล้วตรงบริเวณปากถา้ำนาคาราบอันร้อนผิดปกตินั้นหลายครั้งที่มันหยุดยืนรอพอเห็นฝ่ายมนุษย์เดินตามใกล้เข้ามาก็ออกเดินเนิบช้านำต่อไป ก่อนค่ําของวันนี้ยังไม่มีอะไรมารับประ ก, กันได้ว่าเจ้าด้วนจะนําเดินผ่านพ้นบริเวณป่าหินของเนินเขาทิวนี้เข้าสู่เขตที่พอจะมีพืชพันธุ์หรือไม่ทุกคนเริ่มกระหายน้ําจัดและดื่มน้ําที่เตรียมมาบ่อยครั้งแต่ก็คืบหน้ากันต่อไปอย่างทรหดชนิดเลือดตาแทบกระเด็น่นณะบ่ายวันนี้ ่างฝากความหวังไว้กับพลายหางด้วนตัวนั้นประการเดียวเนื่องจากไม่มีทางเลือกอย่างอื่นได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ดารินคงจะล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งแล้วแต่มาในครั้งนี้อํานาจพิเศษในตัวของหลอนหรือจะเรียกว่าพลังใจที่ติดตามค้นหาบุคคลอันเป็นสุดที่รักไม่ทำให้หล่อนท้อถอยแม้แต่นิดเดียว และดูจะไปได้อย่างไม่มีขอบเขตสิ้นสุดแม่เชศฐถาและชัยยันอันจับว่าเป็นชายอกสามซอกแล้วก็ยังเต็มกลืนขนาดหายใจทางปากหน้าซีดขาวด้วยความเหน็ดเหนื่อยไปตามๆกันพวกลูกหาบทั้งหลายถึงจะเป็นลูกป่าโดยกำเนิดนับเวลาที่ผ่านไปก็เริ่มอ่อนเปลียนเพราะไม่มีการหยุดพักกันเลย ขยินเองก็ยังตุปักตุเป๋แต่นานอินและอนุชาแกรงสุดยอดชนิดถึงไหนถึงกันเช่นกันจากอาการหลับสนิทเป็นตายและในความฝันวกวนชนิดจับต้นชนปลายไม่ถูกจอมคุเทศรพินไทยวันเริ่มฟื้นคืนสติ รู้สึกตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเซ ใ, ในสมองก็เริ่มทำงานรับต่อกันเป็นช่วงช่วงลมหายใจยังมีชีวิตยังอยู่แต่พลังวังชามันอ่อนเปลี้ยไปหมดม่านตายังปิดแต่ก็สัมผัสได้กับแสงสว่างที่กระทบกับเปลือกตาขณะนี้มันจะต้องเป็นเวลากลางวันแน่แ แต่จะเป็นเวลาสักเท่าไหร่ไม่ทราบได้นี่เขาถูกยาสะกดให้นอนหลับติดต่อกันไปเป็นระยะเวลานา น, านสักเท่าไหร่ตลอดทั้งคืนล่วงเลยมาจนถึงเวลากลางวันทีเดียวเลยจะว่าเป็นช่วงของเวลาเช้าหรือเพียงแค่สายก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะความกระจ่างจ้าของแสงที่กระทบหนังตา พอจะบอกได้ชัดสงบนิ่งอยู่ในลักษณะเดิมแล้วก็เริ่มใช้สัมผัสต่างๆรู้สึกว่าตนเองน่าจะยังนอนหงายนิ่งอยู่ที่เดิมโสดแววเสียงการเคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวทั้งใกล้และไกลออกไปในลักษณะปกติธรรมดาของการวางแคม เป็นเสียงของพวกลูกหาบบ้างพรานคู่ใจของเขาบ้างและฝ่ายนายจ้างบ้างที่พูดจาหรือทำงานกันอยู่แต่คนเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะประหยัดออม อ, อมเสียงอยู่เหมือนกันไม่มีใครเอะอะดังนักคงต้องการให้เงียบสงบเพื่อไม่เป็นการรบกวนเปิดโอกาสให้เขานอนพักให้มากที่สุดนั่นเอง ค่อยๆเผยเรี่เปลือกตาขึ้นนิดหนึ่งใช่แล้วลำแสงตะวันและความสว่างสวัยของพื้นโลกบริเวณนั้นความชำนาญบอกได้ทันทีว่ามันน่าจะเลยเที่ยงวันมาแล้วนี่เขาหลับจากกลางคืนล่วงเลยมาจนถึงเวลาต้นๆของตอนบ่ายทีเดียวหรือเนี่ยและมันเป็นบ่ายของวันไหนวันรุ่งขึ้น หรือว่าหลับสรุปเลยเถิดเข้าไปอีกวันหนึ่งสังเกตไปที่แขวนน้ําเกลือพบว่ามันยังเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งและกําลังเดินเข้าสู่เส้นเลือดของเขาแต่ในครั้งนี้เปลี่ยนมายังหลังฝ่ามืออีกข้างหนึ่งระพินขมวดคิ้วคิดถ้าเป็นน้ําเกลือถุงเดิมขนาดห้าร้อซีซี ซึ่งให้เขาในตอนกลางคืนมันก็น่าจะหมดสิ้นไปแล้วตั้งแต่หกโมงเช้าหรือใกล้รุ่งแล้วแต่นี่มันยังเหลืออยู่อีกตั้งครึ่งซ้ำยังเปลี่ยนตำแหน่งแทงเข้าเส้นเลือดมันก็แปลว่าถุงเตาหมดไปแล้วและกำลังแขวนหยุดช้าๆอยู่นี่มันต้องเป็นถุงใหม่แล้ว นี่เป็นการนอนเจ็บครั้งยิ่งใหญ่ของเขาทีเดียวนับตั้งแต่เดินป่ามาโดยขนาดที่กำลังอยู่ในปา่านอกเหนือไปจากการเจ็บป่วยอันนอนอยู่ในบ้านพักหรือโรงพยาบาลเขาไม่เคยพักเครื่องนานถึงขนาดนี้มาก่อนยามบุกไพรจากม่านตาที่รีและกำลังจะกวาดดูไปรอบๆตัว เขาเห็นใครสองคนในกลุ่มของพวกนายจ้างเดินตรงเข้ามาจึงปิดตาลงซะตามเดิมทำเป็นนอนนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นรู้สึกว่าทั้งสองเข้ามาคุกเข่าขนาบข้างอยู่คนละด้านอกเสื้อถูกปลดดุมออกอีกครั้งแล้วก็มีหูฟังมักดที่บริเวณสวงอกจากตำแหน่งหัวใจละไล่ลงไป จนถึงลิ้นปีแล้วเครื่องฟังนั้นก็ถูกถอนออกไปเป็นไงบ้างเบนเสียงพูดแผ่วเบานั้นจำได้แน่นอนว่าเป็นด็อเตอร์สแตนลีย์อันอยู่ซี่ขวาของเขาหัวใจเต้นสม่ำเสมอเป็นปกติดีแล้วล่ะค่ะอาจารย์อาการ่า้ก็ไม่มีเข้าใจว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะรู้สึกตัว สยานอนหลับเข้าไปอีกหรือเปล่าในน้ำเกลือถุงหลังนี่ไม่ค่ะอาจารย์เพราะให้ไว้เต็มที่แล้วในถุงแรกเขาถึงได้หมดความรู้สึกมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายนี่แล้วที่ประจรละ่ะข้อมือข้างหนึ่งของเขาถูกจับชั่วอึดใจแล้วก็มีเสียงเบาๆเรียบๆของหมอเบนพูดมาว่า แปบต่นาทีค่ะาจาย์การสุด ข, ขีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายดีขึ้นมากแล้วอาการของเส้นเลือดตีบคืนตัวในสภาพปกติเมื่อคืนนี้สิค่าจาย์จากรายงานของคริสถึงแม้เขาจะหลับไปด้วยอำนาจยาแต่อาการของเขาดูจะไม่ดีเลยความดันต่ำลงมากและที่ประจรก็ช้าผิดสังเกตมีอาการเกรงของกล้ามเนื้อเป็นระยะระยะ แต่ตอนนี้ไม่มีละคริสไม่ได้นอนทั้งคืนคอยเฝ้าเขาอยู่จนกระทั่งเช้าน้ำเกลือหมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกถึงได้ไปนอนพักเมื่อพวกเราทุกคนตื่นหมดแล้วล่ะคะ่ะมีเสียงถอนหายใจเฮือกตามปกติถ้าไม่ใช่โรคจับสั่นเก่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวระยะสั้นๆแล้วเขาก็เป็นคนแข็งแรงมาก มาคราวนี้ดูท่าเขาจะแย่แทีเดียวนี่ก็บ่ายแล้วตลอดครึ่งวันนี้จนกระทั่งคืนนี้อีกคืนเขาทีนี้ต้องนอนแบบเป็นคนป่วยอยู่นี่เองแล้วมะเราต้องให้เขาพักอย่างเต็มที่ล่ะจะแน่ใจสักก่อนถึงยังไงก็อีกคืนหนึ่งแน่ๆค่ะอาจารย์กว่าที่เราจะกว่าที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นมา อะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเลือดที่ไม่ส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองหรอกค่ะจารเออนี่เบียรเร่นในทัศนแพทย์อ่ะเธอคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเขาเองเป็นข้อใหญ่ค่ะถ้าเขามีความปลอดโปร่งสบายใจไม่มีกังวลมันก็จะไม่เกิดขึ้นเท่าที่ฉันสังเกต ด, ดู การเหนื่อยยากทางกายคนคนนี้จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเหนื่อยยากทางใจกลัดกลุ้มกระวนกระวายเมื่อไหร่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อคืนนี้ตอนที่คริสจะมาเปลี่ยนเวนดูแลเขาตอนนั้นฉันสอบประวัติในทางสุขภาพของเขาไว้ได้หมดแล้วนี่เป็นอาการของอิสคิเมียครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเขาค่ะแล้ว ตอนนั้นเธอได้อะไรมากไหมจากการสอบปากคาขณะที่ถูกอำนาจยาสะกดก็พอสมควรทีเดียวละคะอาจารย์สรุปก็คือเขากลับรุ่มกระวนกระวายเกี่ยวกับการพัดพลาดจากคนรักใช่ไหมเบียร์ค่ะนั่นก็เป็นข้อใหญ่ทีเดียวคนคนนี้ไม่ได้เป็นทุกข์กังวลอะไรเลยนอกจากคิดถึงคู่รักอย่างเดียวเท่านั้น แต่เขาเป็นคนปากแข็งที่จะไม่ยอมรับออกมาตรงๆนะักเสียงเบนชะ ง, งักไปนิดหนึ่งแล้วบอกเบาๆต่อมาว่าอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะอาการของเขาดีขึ้นตามลำดับแล้วจะ่ฉันกลับสงสารคริสมากกว่าคริสเหรอทำไมล่ะเบนเสียงสูงอย่างฉงนนั้นถามมา ก็เขารับภาระนาหนักกว่าฉันซึ่งเป็นหมอโดยตรงซะอีกสิคะเมื่อคืนที่แล้วขณะที่ราพินไม่รู้สึกตัวแล้วก็เพ้อคริสพยาบาลเขาสุดความสามารถอยู่คนเดียวไม่ยอมไปปลุกเรียกฉันหรือพวกเราคนใดให้มาช่วยด้วยและในที่สุดตัวเองก็ไปนอนสรมจับไข้เห ย, ยิงที่เราเห็นคริสพักผ่อนไม่พอแล้วก็ทุ่มแรงกายแรงใจ ช่วยมักกุเทศคนนี้สุดหัวใจเลยโชคดีนะคะที่เขามีความรู้ในทางแพทย์ไม่น้อยไปกว่าชั้นถึงได้เอาไว้อยู่คริสไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยแต่บุญคำสิเป็นคนเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อคือนตอนดึกระพินคลุ้มคลั่งไม่ได้สติยังไงมั่งตอนนั้นพวกเราทุกคนหลับไปหมดแล้วเออถ้างั้นคืนนี้เธอก็ต้องดูแลระพินแทนคริสแล้วละ่ะเบล แล้วก็เลือกเอาใครคนใดคนหนึ่งในพวกเรามาเป็นลูกมือคอยช่วยด้วยอาจจะเป็นชั้นคิดหรือก็เชิดบุดก็ได้ว่าแต่เธอจะทำยังไงต่อไปสาหรับเดี๋ยวนี้รออีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะจย์ถ้าเขายังไม่รู้สึกตัวฉันจะปลุกเขาเองตอนนี้ก็ให้เขาพักไปเรื่อยๆก่อนเอาล่ะเอาละถ้างั้นเราไปดูคริสกันก่อนว่าเดี๋ยวสุดหนักเพรามีคนยุ่งกันใหญ่เช และทั้งสองก็พละออกจากระพินไปยังที่พักของตนอันอยู่ไม่ไกลนักทุกถ้อยคำของการสนทนาโต้อตอบแม้จะเบาขนาดไหนสุภาพบุรุษไพรสำเนียกได้ชัดเจนหมดทุกถ้อยกระทงความเมื่อรู้สึกแน่ชัดว่าบุคคลทั้งสองเดินห่างออกไปแล้วระพินสำรวมสติแนวนิ่งอีกครั้งดวงตาทั้งคู่ยังปิดอยู่เช่นนั้น มือที่วางราบอยู่กับพื้นยกขึ้นมาประสานกันอยู่บนสวงอกจะมีอะไรที่เขาทำได้ในขณะนี้นอกจากสวดมนต์ภาวนายึดเอาพระพุทธคุณและบรรดาอาราหาันทั้งหลายเป็นที่พึ่งก่อนแล้วต่อจากนั้นจึงหันเข้าหาสยเวทอาคมอันเป็นศาสตร์ลี้ลับที่ตนเองไม่เคยอวดอ้างประกาศให้ผู้ใดทราบว่าตนได้ศึกษาร่ำเรียนมา มากเสียกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์จะอีกชั่วขณะจิตเดียวที่โอมอ่านอัธคาถาอัญเชิญหน้าคเทวีด้วยอาการเหมือนจะสะกดจิตตนเองให้จงมดิ่งลงไปสู่าวังลึกตัดโลกแห่งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรอบตนเองขนาดนี้ออกไปหมดสิน้นเขาก็ลเลยห็นจากมนทวานอันมนุษย์อื่นใดไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วย สตรีสาวผู้มีชวีกายแดงเรื่อประดุดสีหม้อใหม่มีหน้าคราชเพชรสองเสียนเป็นมงกุฎในเครื่องทนิมพิมพาพรเยี่ยงนางกษัตริย์ในบาดาลดังภาพวาดในจินตนาการของจิตรกรก็มาปรากฏกายยืนเด่นอยู่บนโขดหินเตียเต้ยๆใกล้ซี่กายด้านขวาของเขาไม่ห่างออกไปนะัก นางแย้มยืนริมโอดรูปงามกอนทั้งสองกอดอุระไวเอียงศอกน้อยๆทอดเนกเป็นประกายวาววับจับมาที่เขาขันขันรักคนสังเวทแต่ก็เปี่ยมไปด้วยประกายแห่งความเอ็นดูเรียกเราทำไมเหรอพราน เสียงใสกังวานนั้นปราัยในทันทีที่ปรากฏตนนาคเทวีพระเจ้าค่ะได้โปรดประทานความเมตตาให้เก็บข้าพระองค์ผู้ตกอยู่ในภาวะทุกข์ญากขนาดนี้ด้วยเถิดจะขอเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่ร้องขออีกแล้วนี่คือสัจจะพระเจ้าค่ะแน่ใจเลยพราน ว่าจะขอเราเพียงครั้งเดียวมนุษย์เดินดินกิเลสหนาแต่มากไปด้วยคาถาอาคมกริตยามนยิ่งกว่าพ่อมดหมอผีอย่างท่านขนาดเรียกราชธิดาแห่งบาดาลให้มาพบได้เช่นนี้ไว้ใจยากประเดี๋ยวเผชิญกับปัญหาอะไรที่แก้ไม่ตกด้วยตนเองก็ครั้นจะใช้มนตราเรียกเรามาอีกรอก ถ้าพระองค์ปฏิญาณและวันนี้เป็นสัตว์จักและเป็นเจตนาโดยตรงที่จะขอรักจักใต้ฝ่าพระบาทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะพระเทพพญดาฟ้าดินองค์ใดๆก็เมินพรานอนาถาผู้ยากไร้คนนี้ซะสิ้นแล้วไม่มีเทพองค์ใดจะให้ความเมตตาต่อข้าพระองค์เท่าราชธิดาแห่งหนาขราชองค์นี้พระเจ้าค่ะ โอทีแดงเพลิงคู่นั้นแย้มกว้างออกไปอีกอย่างเท่าทันจนเห็นไรทนปานเคลือบมุกมีเขี้ยวเล็กๆงามเก๋โพลแซมอยู่สองซี่ <c oughs> เข้าใจยกยอปอปั้นนะตีประจบเก่งมากนักนะเรานะ่ะเอาล่ะจะขออะไรฉันประพินประโยคหลังนางพูดมาอย่างสนิทสนมที่สุดเหมือนเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่กลังพูดอยู่กับเขานาคาเทวีพระเจ้าค่ะขพระองค์เจ็บป่วยลงในครั้งนี้นั้นหนักนักพละงกำลังสูญหายไปสิน้นจะตายก็ยังไม่ตายเพราะไม่สิ้นกรรมจะหายก็ยังไม่หายเพราะโรคาภัยญาติยังไม่ยอมถอนตัวออกโดยง่าย ขืนปล่อยตามเวรตามกรรมอยู่เช่นนั้นก็จะเป็นที่ทุเรศเวทนานนะักพระเจ้าค่ะอ้าวไม่ต้องอ้อมค้อมบอกมาง่ายๆตรงๆดีกว่าจะเอาอะไรนางตัดบทมาทันควันอย่างแย้มลพรผมรู้นะคุณน่นแหละดึงกำลังผมไปหมด คราวนี้ระพินพูดอย่างธรรมดาที่สุดเช่นกันบ้าตัวไม่สบายเองแล้วทำไมมาโทษฉันก็จะต้องให้ผมบอกด้วยเหรอว่ามหาฤาษีกนธัญญาท่านบอกกับผมหมดแล้วว่าคุณเอากำลังวังชาของผมไปทวงผมเพื่อจะให้อยู่ที่นี่ให้นานที่สุดหน้ากระเทวีเลิกขนงขึ้นนิดนึงอมยิม้ม นี่อย่ามาใส่ความกันนะฉันจะทวงคุณไวเพื่ออะไรกันคุณเจ็บป่วยไม่สบายเองก็เพราะมัวแต่คิดถึงกูรักต่างหากนั่นมันก็เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นแต่ลึกลงไปกว่านั้นลูกสาวคนสวยของพญา น, นาคดึงเอากําลังของผมไปทำให้มานอนบด ท, ท่าอยู่แบบเนี้นี่คุณผมมีภาระหน้าที่จะต้องทํานะคุณ ได้ปรดคืนกำลังให้กับผมเอะแต่ผมมีแรงพอจะลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้อะจะให้กราบที่เท้าเท้าก็ได้นะอย่ากแกล้งกันเลยผมไม่อยากจะให้เป็นภาระายุ่งยากของใครและจะต้องเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุดตามหน้าที่นะคุณน่ก็แปลกดีเหมือนกันนะมาร้องทวงว่ากำลังของตัวเองคืนจากฉันแปลกนางกล่าวปนสวนเบา เอาละเมื่อคิดว่าฉันเป็นผู้ออกกำลังของคุณไปแล้วคุณก็อยากจะขอคืนมีอะไรมาเป็นค่าไถ่ข้อแรกเปลี่ยนมั่งละ่ะก็คุณจะเอาอะไรจากผมละ่ะนางผู้มีสิริลักษณ์แพกไปจากมนุษย์ย่างบาดลงมาจากโขดถินที่ประทับยืนอยู่แล้วเดินเยือกช้าๆไปรอบๆตายของเขา ที่ยังนอนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้อยู่ก<อ>็ขอดวงปรานของแม่สาวงามที่มากับคณะของคุณสองคนให้ให้ฉันสักคนได้ไหมรพินอึ้งไปขณะนึงแล้วตอบเฉียบขาดไม่ได้คุณจะาชีวิตคนใดคนหนึ่งของหล่อนทั้งสองคนไม่ได้ผมไม่ยอมอย่างเด็ดขาดนะคุณ ถ้างั้นก็เปลี ko ่ยนมาเป็นพวกนายจ้างของคุณสักคนเอาพวกผู้ชายก็ได้ว่าไงไม่ตกลงคุณนี่ผู้ยากจังอ่ะงั้นลดลงมาอีกคราวนี้ขอเพียงแค่พรานจำนวนสี่คนเน่ยเอาแค่คนเดียวได้ไหมจอมพรานสันสีสัน ไม่ตกลงอาถ้างั้นงวดนี้เป็นข้อเสนอต่ำสุดแล้วนะคุณเอาเป็นว่าขอลูกหาบคนเดียวเท่านั้นนาาทีวีครับไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นที่มากับผมอยู่ในความรับผิดชอบของผมคุณจะชีวิตเข้าไปไม่ได้แม้แต่คนเดียว ถ้าจำเป็นจะต้องมีการเสียชีวิตตามเงื่อนไขข้อแรกเปลี่ยนของคุณแล้วก็เอาเลยเชิญคุณเอาชีวิตของผมไปซะดีกว่าถ้าไม่ยอมคืนพระกำลังกลับมาให้ก็เชิญนาดวงปราณของผมไปแท้มันรู้แล้วรู้รอดทิดานาคาราชยิ้มด้วยสายตาเดินวนมาหยุดยืนนิ่งอยู่ทางด้านซ้าสยขวาของเขาค่อยๆซุดตัวลงคุกเข่าใกล้ๆ ย่นจมูกโด่งงามเล็กๆนั้นให้นิดนึงเหมือนจะรอก็แค่ลองใจดูเท่านั้นแหละรู้มานานแล้วไงว่าคุณน่ะเป็นคนหัวดื้อยังไงบ้างไม่ใช่รู้เฉพาะชาติรบที่เกิดมาเป็นราพินไทยวันเท่านั้นนะคุณนู่นมองย้อนกลับไปในอดีตชาติของคุณไม่วบอกมีชาติอี่พบคุณก็มีสันดานนี้แหละ จะต้องทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยการเฉลาตัวเองสมอแหละมาคิดดูแล้วฉันเองก็ไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปฝุ่นดวงชะตาของมนุษย์เพราะฉะนั้นเอาเถอะเอาเรียกรงๆก็้งตอกเงินไปาเพื่อนำไปชใช้การกล่าวต่อไปแล้วกันกล่าวจบเศรีผู้นั้นก็ก้มต่ำลงมา แต่ริมฝีปากลงที่หน้าผากของเขาอย่างแผ่วเบาครั้งหนึ่งมันเป็นสัมผัสที่อ่อนโยนนุ่มนวลละมุนละไมที่สุดแล้วในฉับพลันระพินผู้แขนขากระดิกกระดียมไม่ได้เลยประดุดเป็นเน็บชาอยู่ในขณะ น, นี้ก็โอบขึ้นตวัดกอดเอาร่างงามนั้นตักแทงลงมาแนบกับอกนางทำตาโตร้องเร็วปรือ ขอกอดเป็นการสักการะต่อลูกสาวคนสวยของพญานาคสักครั้งเถอะนี่ปล่อยนะบอกว่าปล่อยประเดี๋ยวเถอะจะทำไมเดี๋ยวก็ไม่ดำเป็นตอตะโกไปเช่เท่านั้นเจ้างั้นเหรอเอาไงก็ได้ ตอนนี้มีแรงไลยเป็นไรเป็นกันคนควรจะกอดมีกลับไม่กอดมากอดนาคีนี่จะบอกให้คุณเอาไปกอดแม่ผมทองันเป็นมนุษย์เช่นกันคนนั้นดีกว่าอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็เป็นมิตรดีสําหรับคุณนี่อย่ามาจูลู่ลวนลามกับฉันอย่างนี้ก้อยบอกอยาก้อยไง ยังไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะบอกผมว่าเครื่องบีห้าสิบสองลำนั้นน่ะมันตกอยู่ที่ไหนแล้วจะบ่ายหน้าไปทางด้านไหนจึงจะพบเร็วที่สุดอา้อาวอา้าวอ้าวผิดสักจัายังไงไห น, ไหนว่าข อ, ขอฉันเพียงข้อเดียวไงอืมจริงสินะอะ้ปล่อยก็ปล่อยแล้วพินนรักษาวาจาเสมอแหละเขาคลายวงแขนออก น้ากระเทวีขยับกายออกห่างโครงเสียงช้าๆเกือบหลวนตัวโหโหเสียท่ามนุษย์เจ้าเล่ห์ใช่แล้วไหมละ่ะเอื้อมมือมาจับ ก, กายจมูกเขาสั่นเบาๆกอดนะไม่กลัวกลัวจะไม่กอดจะให้เอาดวงแานไปด้วยก็ไม่กลัวกลัวจะไม่ยอมไปซะมากกว่าขอให้รู้ไว้ด้วยนะ คุณกับฉันน่ะเคยมีพบภูมิร่วมกันมาก่อนเช่นกันแล้วก็มีกรรมต่อเนื่องผูกพันกันอยู่ด้วยเพียงแต่ในชาติพบนี้น่ะมันยังไม่ถึงรอบที่จะต้องมาคิดบัญชีกันเท่านั้นแต่ความผูกพันเดิมๆทําให้ฉันอดที่จะเป็นห่วงคุณไม่ได้ถึงได้มาเกี่ยวพันพบปากกับคุณในชาตินี้แม้จะเป็นเพียงเสี้ยวส่วนน้อยนิดเดียวก็ยังดี ต่อไปนี้ฉันจะไม่ไมายคุณเห็นอีกแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆบางที่เราอาจจะเห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายในชาตินี้ของคุณก็ได้ไปก่อนลวประโยคหลังหล่อนกล่าวง่ายๆพร้อมกับขยับตัวแต่รพินเรียกขึ้นมาว่าเดี๋ยวครับานางผู้นั้นชะงักเอี้ยกกายมามองอะไรอีกละ่ะ ฉันไม่คุยกับคุณแล้วนะเพราะมันรู่วแล้วแต่คำถามในเรื่องที่ฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกได้ทั้งนั้นเอา้าก็คุณเล่นพูดทิ้งไว้มันเป็นปริศนานี่ผมฟังแล้วมันสับสนไปหมดรู้เป่าไม่มีคำอธิบายมากกว่านี้นะคุณเมื่อคุณมีอายุสูงขึ้นพร้อมแล้วด้วยศีลและสะัด์ตะบะชาญแก่กล้ากว่านี้ คุณก็ลองนั่งตรวจสอบปูมหลังของคุณดูเถอะแล้วก็จะรู้ได้เองแต่สำหรับชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าหัวใจของคุณเป็นของจิตรางคนางชนิดผูกขาดใแ ล, ะละ้วล่ะส่วนชาติต่อต่อไ ป, ไ ป, ไปจะเป็นของใครอีกไม่ใช่ธุระที่ฉันจะบอกจิตรางคนางเหรอใครกัน ราพินอุทานออกมาอย่างตกใจอ้าวก็แม่สังเรียแพทย์นักมนุษยวิทยาเชื่อพระวงในชาตินี้ยังไงล่ะจะต้องฉันเอ่ยนามด้วยหรือไงพระคุณดารินเหรอหน้ากระเทวีเอานิ้วแตะที่ริมฝีปากเขาเหมือนจะปิดไว้อีกมือหนึ่งชี้หน้านี่นี่นี่นี่อย่าถามอะไรอีกนะ เกี่ยวกับคู่รักของคุณคนนี้จะไม่ได้รับคำตอบอย่างเด็ดขาดแล้วถ้าผมจะถามว่าผู้หญิงผมทองคนนั้นล่ะเคยมีอะไรเกี่ยวพันกับผมในอดีตชาติไหมคราวนี้เขาถามโดยเร็วสรรพสิ่งในห้วงจักราวาลอนหาที่สิ้นสุดม่ได้ ถ้าไม่เคยมีอะไรผูกพันเกี่ยวข้องกันมาก่อนก็จะไม่มาพานพบข้องแวะต่อกันหรอกคุณไม่ว่าจะเป็นมิตรศัตรูคู่รักคู่เสน่หาไอ้ส่วนจะลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรมันก็สุตกรรมเก่าที่ทำไว้ต่อกันก็บอกให้แค่นี้เลยนะมีปัญญาก็นึกไตรตรองเอง บอกว่าจะไปตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีคราวนี้ไปจริงๆแล้วอย่ามาเรียกกันเลยอะขออวยพรให้โชคดุไปละไปละไปละไปละแล้วร่างอันงามเหนือกว่ามนุษย์ร่างนั้นก็สลายตัวกลายเป็นกลุ่มหมอกควันสีแดงม้วนติวเป็นเกลียวหมุนดิ่งหายเหมือนจะแทรกแผ่นดินลงไปอย่างรวดเร็ว กพินสงบนิ่งอยู่อีกอึกใจใหญ่แล้วสูดลมหายใจลึกบัดนี้จะเป็นด้วยอุปทานหรืออะไรก็ตามทีความอ่อนเปรี้ยวโหยละเหียของเขาหมดสิ้นไปราวกับปริดทิ้งสะบัดขาออกไปโดยแรงทีลักข้างแล้วลืมตาโพลงขึ้นสิ่งแรกที่ทำก็คือใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงเข็มน้ำเกลือออกทันที ชูสูงขึ้นเพื่อไม่ให้มันไหลและลุกขึ้นมายืนอย่างฉับพลันเหมือนคนตื่นนอนตามปกติระหว่างที่กําลังมองหาที่จะวางเข็มไว้ในที่อันเหมาะสมเพื่อไม่ให้มันหยดทิ้งเสียเปล่าเพราะยังเหลืออยู่อีกครึ่งถุงนั้นก็มีเสียงร้องทักว่านายเสียงนั้นดังมาจากพวกพรานพื้นเมืองของเขาจากทิศทางต่างๆไม่ห่างตัวนักแล้วทั้งเกิด เซยจันบุญคำก็วิ่งกรูกันมาที่เขาร้องถามแรกไปหมดจนฟังไม่ได้สักระพินยิ้มให้กับคนของเขาเหล่านั้นอย่างไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นส่งเข็มไปให้บุญคำถือไว้ตัวเองก้มลงคว้าไรเฟิลประจำตัวซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่อิสเบลซึ่งนั่งอยู่ในที่พักของฝ่ายนายจ้างหันมาห็นพร้อมทั้งวิ่งสวนเข้ามาหลอนร้องตะโกนว่า รพินอะไรกันนี่คุณลุกขึ้นมาทำไมแล้วทำไมถึงได้ถอดเข็ น, น้ั้งเกลือออกอ้าวก็ผมเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนี่เบร์เ <Bear. S 1> ขาตอบด้วยสีหน้าราบเรียบยิ้มให้นิดหนึ่งขณะที่จับแขนหล่อนไว้ดึงให้เดินไปด้วยกันยังกลุ่มของคริสเชิดบุตรเดสปายรีซึ่งพากันมองมาอ้าปากตะลึงคริสเป็นไงบ้าง ได้ขาว่าไม่สบายเหลยประโยคหลังเขาถามแต่เบลยังไม่ตอบเดินกึ่งวิ่งมาเคียงคู่เขาตายังจ้องหน้าด้วยความประหลาดใจขีดสุดอยู่เช่นนั้นอีกสามชายลุกพรวดขึ้นเ อ, อ่ยเรียกนามเขาเป็นเสียงเดียวทุกท่านไม่ไม่ต้องกังวล น, นะครับเขาประกาศน้ำเสียงมีกลางวานไม่ซอแววว่าจะมีอาการเจ็บไข้ใดๆเหลืออยู่อีกเลยตาก็มองสอดสายหา แล้วก็แลไปเห็นคริสตินานอนหงายขาข้างหนึง่งเหยียดรากกับพื้นอีกข้างหนึ่งชันขึ้นสีสษะหนุนเป้หลังมีหมวกครอบปิดในหน้าอยู่ครึ่งหนึง่งลักษณะเหมือนคนหลับผมหายแล้วครับหายจริงๆแล้วก็แข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้วว่าแต่เพื่อนของเราคนนั้นเป็นยังไงมั่งนี่ระพินคุณแน่ใจนะว่าคุณหายแล้วแข็งแรงดีแล้วอะ สแตลลีร้องออกมาดังๆจ้องหน้าเป๋งระพินหัวเราะเบาๆและแทนคำตอบเขาโยนไรเพื้นขนาดหนักในมือขึ้นสูงในลักษณะให้มันหมุนตีลังกากลางอากาศพอหล่นต่ำลงมาก็รับไว้ด้วยอุ้งมืออันมั่นคงลักษณะนี้มันสอให้ทุกคนเห็นโดยอาการว่าเขาได้กลับมาเป็นระพินไพรวันคนเดิมแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่สุดคีตและเชิดบุตรเข้ามาจับแขนเขาไว้แน่น และลากตัวให้ลงนั่งก่อนโดยสั่งให้เบลตรวจสอบร่างกายจอมฟานไม่ขัดขืนเช่นไรเพราะเข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านั้นดีเขายอมให้เบลตรวจสอบการทำงานของหัวใจวัดความดันชีพจรและเมื่อหล่อนขอส่องไฟดูเปลือกตาก็บอกบนหัวเราะหืมืว่าอ่ะดูดีนะเบเพื่อผีหรือวิญ ญ, ญาณได้อะไรมันดันเข้ามาสิงอยู่ในร่างของผมพวกคุณจะลำบาก อ่ะอ่ะตรวจไปให้พอใจทีเดียวว่าสุขภาพทางกายของผมในขณะนี้เป็นยังไงมั่งมีอะไรน่าสงสัยอีกไหมอิซาเบลล่าตื่นอ้าปากหัอภายหลังจากตรวจร่างกายของเขาเสร็จอืม <c oughs> impossible หลอนคลางออกมาเมื่อการเหมือนถูกผีหลอก impossible I'm alright now quite alright รพินสวนตอบทันทีด้วยเสียงชัดเจนมั่นคงของเขานี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเรารู้แต่เพียงว่าอาการของคุณเริ่มดีขึ้นเท่านั้นต่นี้คุณกลับฟื้นตัวขึ้นมารากับปาฏิหาริย์ดรสเตสนลีย์ร้องและล่ําลักอย่างตื่นเต้นงง ง, งนันครับทุกสิ่งทุกอย่างในป่าดำนี่มันล้วนปาฏิหาริย์ได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าในทางดีหรือทางร้ายครับ รับพินตอแต่ความจริงมันก็มาจากการที่ผมได้รับการรักษาพยาบาลเยียวยาอย่างดีจากพวกคุณนั่นแหละเมื่อยาดีการรักษาดีมันก็หายได้เร็วนี่คิดกำลังฝ่ามือของคุณแข็งแรงดีไม่ใช่เหรอมะส่งมาลองจับมือกับผมสิเขาพูดโดยเร็วพร้อมกับส่งมือไปให้ในายนายผมส่งลานบินคิดกับพริบตาปริบ ป, ปริป แล้วยื่นมือมาประสานกับเขารพินกำกระชับและออกแรงบีบในทันดีพยักหน้าบอกให้คิดบีบตอบนายนั่นค่อยๆทวีกำลังออกแรงบีบเขาหนักขึ้นทุกทีและระพินก็ใช้กำลังฝ่ามือของเขาแรงขึ้นตามด้วยจนกระทั่งในที่สุดนายคิดร้องโอ๊กหน้าเยกเกอกดแดมิตเรี่ยวแรงของเขาอยากจะยกักอือ กไยแอดฮ้ยก็แข็งแรงจริงๆไม่มีร่องรอยของคนเจ็บเหลืออยู่อีกเลยบีบมือฉันจแทบกระดูกแตกเฮ้ยปล่อยปล่อยกระพินสะบัดมือหลุดออกไปได้คิดครางอู้สะบัดฝ่ามือตัวเองอยู่ย่อยๆอย่าแปลกใจไปเลยเพื่อนจอมพรานประกาศกับทุกคนที่นั่งจ้องเขาอย่างงุนงงขีดสุด ผมก็ไปอย่างนี้แหละบทจะเจ็บ่ายขึ้นมาก็พักไปไง่ายๆไอ้บทมันจะหายมันก็หายได้อย่างปัจจุบันทันด่วนเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์ทางแพทย์จะหาสมมุติฐานได้เหมือนกันขอให้ทุกท่านเข้าใจและแน่ใจอีกครั้งว่าขณะนี้ผมหายเป็นปกติที่สุดแล้วครับไม่ต้องมีการรักษาพยาบาลหรือพักฟื้นใดๆอีกทั้งสิน้นถ้าออกเดินทางใ น, นเดี๋ยวนี้รับรอง ว่าพวกคุณเดินตามผมไม่ทันอยู่ตามเคยนั่นแหละถ้าผมไม่หยุดรออะคราวนี้ขอให้ทุกคนตอบคาถามผมบ้างตาเขายัางจับมองไปยังคริสติน่าผู้นอนสงบนิ่งหายใจอยู่รวยรวยบุยปากคือเป็นไรไปก็มีไข้เล็กน้อยไม่มากนากักหรอกอาจเป็นเพราะเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อน เบนตอบอ้อมแอมแล้วทำไมนอนนิ่งอย่างนั้นน่ะเสียงพวกคุณออกเอะโวยวายคริสติน่าน่าจะรู้ตัวขึ้นมาขอผมเข้าไปดูหน่อยได้ไหมทุกคนต่างให้ความสนใจอีกครั้งพากันหันไปทางคริสผู้นอนนิ่งอยู่เป็นตาเดียวรพินลุกขึ้นเดินไปดูที่แม่ผมทองทันทีเพราะถึงก็ซุดตัวลงนั่ง ปีกหมวกของหล่อนที่บังรูปหน้านั้นไม่มีอาการใดๆจะสอให้เห็นว่าคริสติน่าจะรู้สึกตัวเลยแม้จะมีใครต่อใครมาล้อมอยู่ใกล้ชิดตัวขณะ น, นี้ใบหน้าของหล่อนขาวซีลมหายใจมีแต่แผ่วอ่อนเหลือเกินเชิดบุธขยายเขย่าไหลเบาๆพร้อมทั้งเรียกหล่อนก็ยังไม่รู้สึกตัว ราพินจ้องเขม็งรอให้เชิดบุตรกับคนอื่นๆช่วยกันเรียกอยู่อีกพักนึ่งแต่เหมือนคนถูกวางยาสลบคริสติน่านอนนิ่งไม่ติงกายแม้แต่น้อยระพินมองหน้าทุกคนซึ่งบัดนี้เริ่มมีอาการงงประหลาดใจอีกครั้งคนสุดท้ายเขามองไปทางเบลซึ่งก็กำลังจ้องเพื่อนสาวด้วยดวงตาอันเบิกกว้างเฮ้ คริสทำไมนอนนิ่งอย่างนี้อ่ะเนี่ยแล้วก็จะทลาปราดเข้ามาแต่รพินเอามือกันไว้ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นตอบคาถามของผมก่อนคริสมานอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งหมดรวมทั้งหมอเบลมองหน้ากันเองเลิกหละ่ะความออกใจเริ่มบังเกิดขึ้นในทันทีก็ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านั่นแหละ หลังจากที่พวกเราตื่นกันขึ้นมาเขาก็พละออกมาจากการเฝ้าดูแลคุณเราคุณกันอีกสัก5้าหกนาทีคริสก็ขอซุปหนึ่งถ้วยจากเนื้อกวางที่พวกรลานพื้นเมืองของคุณเขี่ยวเอาไว้บนว่าปวดหัวเพรียแล้วก็ง่วงฉันก็เลยบอกให้เ้านอนพักเบนเป็นคนตอบแล้วเ้านอนอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาหรือมีการตื่นขึ้นย้ายที่นอนบ้างไหม นอนอยู่ตรงนี้มาตลอดนั่นแหละไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยนอนอยู่ในท่า น, นี้ใช่ไหมขาข้างนึงเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งชันขึ้นโดยไม่มีอาการกระดิกกระเดียเลยอย่างนี้หรือเปล่าฝ่ายเมียกันทั้งหมดและเชิดบุตรมองหน้ากันอีกครั้งพวกเราไม่ทันจะสังเกตรหรอกครับว่าคริสเมีากายกันขยับขยื้อนตัวยังไงบ้างหรือเปล่า แต่เขานอนตรงนี้อ่ะไม่ได้ย้ายที่เลยแล้วพวกเราก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนอะไรเขาด้วยเชิดวุฒิตอบแทนให้กับทุกคนทั้งนั้นขอทราบเวลาขณะนี้นะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีระพินในคิดยกนาฬิกาข้อมือดูและเป็นคนบอกมาเสียงต่ำๆเจ็ดชั่วโมงกว่าแล้วที่คริสนอนอยู่ตรงนี้ แล้วก็ในท่านี้นี่พวกคุณไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติมั่งเลยหรือไงเขาถามขึ้นลอยๆอย่างจ้องหน้าแม่ผมท้องนิ่งอยู่เช่นนั้นเบียขยับจะคว้าข้อมือของเพื่อนสาวแต่ระพิงกันไว้อีกบอกว่านี่คุณการตรวจชีพจรของคุณตอนนี้นะมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะ blend. เพราะมันช้าเกินกว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคริส โดยพวกคุณไม่เฉลียวคิดเลยพวกคุณคิดว่าเธอหลับ ก, ก็เลยปล่อยให้นอนมาตลอดชีพจรของคริสอาจจะเต้นให้คุณสัมผัสได้แต่มันจะอ่อนมากลมหายใจอาจมีแต่ก็แผ่วเหลือเกินแล้วพวกคุณเห็นไหมเลือดบนผิวหน้าที่ตามร่างกายแทบจะไม่มีอยู่แล้ว เขาคว้าฝ่ามือเหมือนคนตายของคริสติน่ า, งายงให้ทุกคนดูซึ่งมันขาวราวกับกระดาษแล้วก็สินี่เกิดอะไรขึ้นนี่ทุกคนตะโกนก้องขึ้นเกือเป็นเสียงเดียวตกใจประหลาดใจซะยิ่งกว่าตอนที่เห็นเขาลุกขึ้นมาเดินตัวปลิวซะอีกคริสจะเป็นเจ้าหญิงนิทาเช่นนี้ไปประมาณสองสามวันที่ผจรจะค่อยๆอ่อนลงไปเรื่อยๆ และในที่สุดก็จะหยุดสนิทขอบคุณพระเจ้าที่ท่านในผมฟื้นขึ้นมาซะ ก, ก่อนจะสายเกินแก้เอาละ่ะต่อไปนี้ขอให้เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายพวกผมบ้างเก็บหูฟงังหรือเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดของคุณได้แล้วเบลเพราะมันไม่มีประโยชน์หรืออะไรหรอกสำหรับคริสในขณะนี้คุณคุณรู้เหรอว่าคริสเป็นอะไร เบนร้องถามละล่ำละละักะรินเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งแล้วยิ้มขึนๆ ม, ม, ม, มองหน้าทุกคนตอบว่าผมคิดว่าพอจะรู้นะสำหรับพวกคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนอกจากจะคอยดูแล้วก็ช่วยเฉพาะเท่าที่ผมสั่งเท่านั้นกล่าวจบรบพินกลับหันไปตะโกนเรียกบุญคำด้วยเสียงดัง ตาพรานเท่าสมุนขวาซึ่งกําลังทําอะไรอยู่กับเสาแขวนถุงน้ําเกลือของเขาหันขวัดมาจอมพรานก็กวักมือเรียกบุญคําบุญคําวิ่งเข้ามาหาในทันทีพอมาถึงก็ถามว่าทําไมเหรอนายมีอะไรโดยยังไม่พูดอะไรซักคำํำระพิงเชียคนของเขาดูที่สีหน้าของแม่ผมทองซึ่งพริมตาหลับสนิคบุญคําลงนั่งยองๆชะงโงกเข้ามาจ่อ คิ้วของแกขมูดพลานใหญ่จับมือด้านซ้ายของคริสติน่าซึ่งเลิกเสื้อแขนยาวขึ้นไปพับไว้แค่ข้อศอกแล้วชี้ลงไปให้ดูที่ตำแหน่งท้องแขนอันมีรอยเขียวจำ้ำแลเห็นได้ถนัดมีรอยทะลุผิวเข้าไปเหมือนเขี้ยวสองเขี้ยวที่หนีบเข้าหากันพอมองเห็นชัดบุญคำก็อุทานลั่นออกมาว่าโฮย้ยไอหกขามันเล่นงานแมมคริสก็ให้แล้ว เหมือนตอนที่ไอ้แง้สายเจอเขาคราวนั้นไม่มีผิดรูของมันก็ต้องอยู่ใกล้ๆโพรงหินแถวนี้แหละนายไอ้โดนเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหรน่นี่จอมมักคุเทศผู้กลับฟื้นคืนคงมาอยู่ในปกติสภาพเหมือนเดิมออกคําสั่งขึ้นๆว่ารูของมันจะอยู่ตรงไหนแมมคริสจะโดนตัดเข้าไปเมื่อไหร่ยังไม่ต้องไปค้นหาหรอกบุญคําแต่สิ่งที่บุญคําจะต้องทําเดี๋ยวนี้ก็คือ ไปเอายาแก้พิษของสางปาที่มันให้ทั้งตัวยาแล้วก็ทั้งอาคมไว้กับบุญคําน่ะมาทันทีเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ต้องโวยวายอะไรให้พวกเราคนอื่นตกอกตกใจแล้วก่อนจะหยิบยานั่นขึ้นมาก็อย่าลืมกราบระลึกถึงครูผู้ให้วิชาซะก่อนล่ะถึงแม้บุญคําจะเคยเรียกมันว่าไอ้ขี้สางปลาขี้ลิงก็ตามตอนนี้ก็ต้องกราบระลึกถึงวิชาที่มันให้ไว้แล้วบุญคํากระโดดตัวลอย แล้วห่อจีไปยังสัมภระส่วนตัวของตนเองโดยเร็วแล้วพินมองไปทางหมอเบลและทุกคนที่นั่งตะลึงกันอยู่อย่างไม่รู้เรื่องบอกเสียงเรียบๆว่าเบลขอมีดผ่าตัดคมๆที่สะอาดของคุณสักเล่มเถอะไม่ต้องกลัวว่าจะมีบาดแผลอะไรมากผมเพียงแต่จะกรีดรอยเขี้ยวให้เป็นแผลกว้างไปเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อสําหรับตัวยาที่ใช้ได้สะดวกขึ้น ปเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าเลือดที่ไหลซึมออกมาจะเป็นสีเรากรมึกดำทีเดียวพระเจ้ารัพินบอกเรามาก่อนเถอะว่าคริสโดรอะไรกัดงูเหรอสตาลีสำลั ก, กออกมารัพินสั่นสีสษะไม่ใช่งูครับงูในละแวกนี้จะไม่ทำอันตรายพวกเราคนใดอย่างเด็ดขาดแลวถ้าเป็นงู ก่อนที่คริสจะสลบไปแบบนี้เธอจะต้องร้องดิ้นด้วยความเจ็บปวดและตกใจชนิดที่พวกคุณทุกคนจะต้องมองเห็นชัดทีเดียวแม้จะเป็นพิษที่แรงสักขนาดไหนก็ตามแต่นี่เธอหลับไปเฉยๆหลับแบบสบายๆายด้วยเพียงแต่อาจจะไม่ตื่นอีกแล้วเท่านั้นแล้วแล้วมันคืออะไรฝ่ายนายจ้างกระหืดกระหอบถามขึ้นพร้อมกันระหว่างที่ทุกคนจ้องมาที่เขาคำเง่ง ระพินจับขาข้างที่ตั้งชันของคริสให้เหยียดราบไปตามสบายและสกิจเชิดบุตรผู้ข้ามาซุดคุกเข่าอยู่ใกล้เข้าที่สุดให้ประคองศีรษะของหลอนที่พาดอยู่กระเป้หลังขึ้นตัเองใช้ผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งที่พาดอยู่กระแง่หินใกล้ๆนำมาพับเป็นสี่ทบแล้วสอดเข้าไปใต้ศีรษะเพื่อหลอนนอนในลักษณะเหยียดยาวราบเรียบที่สุดหันกลับไปทางด้านบุญคำ เห็นแกนยังรื้อค้นอะไรวุ่นวายอยู่ที่ย่ามในกองสัมภาระของฝ่ายพวกพรานพื้นเมืองไม่ห่างออกไปนักมันอย่างงี้ครับคือมีมแมลงอยู่ชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายแมงมุมในเขตป่าดำที่ผมเคยพบมาแล้วตัวก็ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กนักผิดกระแมงมุม ท, ทั่วไปก็ตรงที่มันมีหกขาแทนที่จะมีแปขา แมลงชนิดนี้มันจะอาศัยอยู่ตามโพรงหินหรือขุดหลุมอยู่ตามบริเวณป่าหินมันจะกัดและดูดกินเลือดของสัตว์ทุกชนิดที่เข้ามาอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่ของมันส่วนมากก็จะเป็นเวลาขณะที่หลับไม่รู้สึกตัวเลือดที่มันดูดกินนั่นก็ไม่มากนักหรอกแต่พิษที่ปล่อยเข้าไปน่ะเป็นอันตรายมากผู้ถูกกัดและปล่อยพิษเข้าไปจะไม่รู้สึกตัวเลย พิษของมันจะแทรกซึมไปตามระบบเส้นเลือดทำให้เกิดอาการหลับอย่างเดียวกับคนที่ถูกยาสลบฉีดเข้าเส้นเลือดและถ้าช่วยเหลือไม่ทันผู้ถูกกัดจะค่อยๆตายไปเองอย่างสงบคือหลับแล้วก็ตายไปเลยครับทุกคนฟังระพิงอย่างเงียบกริบจอมพรานขยี้ปลายคางด้วยหลังมือตายังจับอยู่ที่ใบหน้าอันหลับสนิทของแม่ผมทอง เบาๆาผมเข้าใจว่าคริสคงจะถูกมันย่องมากัดดูดเลือดและปล่อยพิษเข้าไปในขณะที่มาพักนอนหลับอยู่แถวนี้อาจจะตอนเช้าขณะที่เพิ่งหลับไปหรืออาจจะสักสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาระหว่างที่หลับติดต่อกันมาตลอดก็ได้ครับนี่คุณหมายถึง b l ล c k Widow เหรอคิดอุทานลั่นออกมา ระพินโครงสีสัช์ช้าผมก็ไม่แน่ใจนะคิดเพราะผมไม่เคยเห็นเจ้าแบล็กวีโอด์หรือแมงมุมมีพิษที่เรียกว่าไม้ดำแต่ก็เข้าใจว่าเป็นคนละชนิดกันเช่มากกว่าเพราะการกัดที่ไม่ทำให้ผู้ถูกกัดรู้สึกตัวเลยนะมันเป็นลักษณะพิเศษของไอ้ตัวหกขาชนิดนี้โดยเฉพาะไม่มีการเจ็บปวดหรือทุรนทุรายอะไรทั้งนั้นแหละคิด ไม่ทันจะสิ้นประโยคของเขาบุญคำก็ห่อแนบกลับมาพร้อมกับหอผ้าเกา่เกาๆดำปูปีพอถึงก็รีบปลิ้นเอาสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในออกมา ท, าทันทีแต่ก็ละล่ำละลักถามว่านายๆายแมมคริส ah, nah, ยังหายใจอยู่หรือเปล่าเอาเถอะมันยังไม่สายหรอกบุญคำอย่าตาลีแต่แหกนักเลยเบขอมีผมประโยคหลังเขาหันไปทางหมอเบ ผู้ถือมีดผ่าตัดคมกริบค้างอยู่ในมือหล่อนสรงให้ด้วยมือสั่นเทาถามว่ากระพินคุณแน่ใจนะคุณไม่คิดบ้างเหรอรมีเซรุ่มมาด้วยทําไมถึงนี่คุณไม่มีเซรุ่มชนิดใดจะช่วยคริสได้นะนอกจากยากแก้พิษ จ, จากฝ่ายผมเท่านั้นแล้วถ้าคุณยังไม่อยากให้เพื่อนของคุณตายอย่าขัดขวางหรือพูดอะไรทั้งสิ้น ดูอย่างเดียวครับเขาพูดขึ้มๆและจับแขนข้างนั้นของคริสขึ้นมาใช้ปลายมีดอันแหลมคมกรีดกดลงไปยังรอยเขี้ยวสองเขี้ยวอันปรากฏอยู่บนผิวของคริสระยะของเขี้ยวมันไม่ห่างกันเท่าใดนักแล้วกรีดเบาๆอย่างรวดเร็วเป็นรูปกากบาดคว้กันผิวและเนื้อของหล่อนในบริเวณนั้นเป็นทางตามคมมีดแนวสั้นๆ น, นั้น ท, ทันที ในจ้างทุกคนครางออกมาพร้อมกันแทบทังหนักเพราะเลือดที่ไหลซึมออกมาจากบาดแผลที่จอมพรานกรีดปรากฏสีดำคล้ำจริงตามที่เขาบอกทุกอย่างระพินเค้นคัดเลือดนั้นให้ไหลรินออกมาเรื่อยๆในขณะที่บุญคำก็จัดการเอาแท่งยาสีดำจุ่มลงไปในถ้วยพลาสติกบรรจุน้ำที่แกถือมาด้วยพอให้แท่งยาดูดอมน้าไว้ชื้น เอาละจับตาเร็วบุญคำเขาออกคำสั่งวางแขนของคริสให้หงายราบลงกับพื้นบุญคำก็โดดเข้ามาจบแท่งยาพนมขึ้นเหนือหัวแทงปากมุบหมิบมุบหมิบภาวนาอยู่กึง่งอึดใจแล้วค่อยๆบรรจงแตะปลายของแท่งอันมีลักษณะเป็นหน้าตัดตรงเรียบจะรดเข้าไปยังบาดแผลนั้นทันทีพร้อมทั้งไร้คาถาไปด้วย ความอัจจรรย์นชนิดที่ทำให้นายจ้างอเมริกันทุกคนและเชิดบุตรตัลลึงก็พลันปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อต่างมองเห็นบุญคำค่อยๆปล่อยมือออกและแท่งยาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งยาวประมาณสี่นิ้วลักษณะเหมือนท่อนทานดูติดกับผิวเนื้อของคริสตินาตรงบริเวณที่รพินใช้มีดกรีดเป็นบาดแผลทันที มันติดตั้งเดยอยู่ในลักษณะประหลาดสุดราวกับร่างกายของคริสติน่าจะเป็นแม่เหล็กและท่อนยานั้นจะเป็นท่อนเหล็กฉะนั้นอิสเบนร้องไมคกุสเนสสแตลลีผู้เหงือผุดซึมเต็มหน้าผากก็เบิกตาสีฟ้าจ้องอยู่แทบไม่กระพริบคิดสะบัดหน้าไล่ความมึนงงส่วนเชิดวุดร้องมาเบาๆว่าพี่มันดูติดเดยอย่างนั้นเลยเหรอ ถ้ามันไม่ดูดติดแบบนี้ก็แสดงว่าในกระแสเลือดของคริสไม่มีพิษร้ายอะไรเจือปนอยู่เลยแต่นี่ทุกคนก็เห็นชัดแล้วนี่แท่งยากําลังทําหน้าที่ดูดพิษร้ายออกอย่าว่าแต่จะวางแขนราบอย่างนี้เลยต่อให้ยกแขนคริสคว่ําลงมันก็จะเกาะไปอยู่แบบนี้แหละคุณไม่มีทางหลุดออกจากนอกจากเราจะกระชากแรงๆออกอย่างนั้นแหละ เขาบอกในน้ำเสียงเรียบปกติแล้วถอนใจเฮือกเอามือทั้งสองขึ้นเสยเส้นผม พ, พึมพำโลก่ง อ, อกไปทีผมขอให้ทุกคนสบายใจได้แล้วอีกไม่เกินหนึ่งหรือสองชั่วโมงถัดจากนี้คริสจะสบายดีเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็รับรองว่าจะไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นทั้งสิน้นเธออาจจะฟื้นขึ้นมาโดยแทบไม่รู้สึกตัวเสด้วยซ้า ว่าโดนอะไรกัดนีนรรบพินพวกเรานั่งงงกันไปหมดแล้วนะคุณคุณเองนอนเจ็บขนาดต้องให้น้ำเกลืออยู่แล้วจูจ่ๆก็ผุดลุกขึ้นมามีสภาพแข็งแรงยังก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ตรงก็มาที่คริสราก็รู้มาก่อนว่าคริสกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายจากการช่วยเหลือทันแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นเสียงแห่พระ ด็อกเตอร์ครับผมน่เคยบอกหลายครั้งแล้วนี่ว่าผมมีประสาทส่วนที่หกมีสังหรณ์เตือนให้ทราบในเหตุการณ์แม้มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักก็ตามไอ้ส่วนการที่ผมสามารถลุกขึ้นมาได้แข็งแรงดีเหมือนเดิมก็เพราะว่าผมหายป่วยแล้วไงไม่ต้องไปหาบทพิสูจน์คิดค้นอะไรให้มันเสียเวลาหรอกจอมคุเทศตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบตามเดิมของเขา หยิบชายผ้าเข้ามาที่เทียนเอวอยู่ขึ้นมาเช็ดหน้าและพยายามมองสำรวจไปรอบๆ บ, บริเวณตำแหน่งที่คริสตินานอนอยู่เหมือนจะหาที่มาของไอตัวมรตยูพื้นที่ตำแหน่งนั้นไม่ปรากฏว่าจะมีช่องรูที่เจาะลงไปในดินอันแสดงถึงว่าเป็นรังที่อยู่ของมันเลยแต่ก็มีซอกโพรงหินอยู่มากมายรอบด้านมันอาจอาศัยอยู่ในซอกใต้แถบหินนี้ก็ได้ คิดชีมือไปที่ตัวยาอันติดอยู่กับแผลของแม่ผมทองถามว่านี่ระพินมันจะดูดติดอยู่ยังงั้นเหรอครับมันจะดูดเอาพิษซึมเข้าไปอยู่ในแท่งยาครับจนกระทั่งอิ่มตัวแล้วก็จะหลุดร่วงออกจากนั้นเราก็จะเอาแท่งยาประกอบด้วยสมุนไพรนั่นไปแช่ในน้ำสะอาดให้มันคลายพิษลงไปในน้ำสักครู่ แล้วก็เอาขึ้นมาแตะติดกระบาดแผลใหม่ทำซ้ำๆกันแบบนี้จนกระทั่งตัวยาไม่ดูดติดแผลอีกแล้วก็แปลว่าพิษจะถูกดูดออกหมดสิ้นแล้วผมกล่าวว่าไม่เกินสามสีรอบก็จะเรียบร้อยครับระยะระหว่างนี้ก็เราไม่ต้องไปช่วยเหลือเยอะยาในด้านใดทั้งสิ้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแท่งยานะดูดพิษออกอย่างเดียวเท่านั้นขอให้ทุกคนเชื่อผมครับเดี๋ยวดีเอง เบรือมือมาแตะไหล่เขาเน้นเสียงนิรพินคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตคริสนะในกรณีที่ไม่ยอมให้ฉันใช้เซรุม่มรพินก้มศีรษะลงครับผมผมขอรับผิดชอบเต็มที่ครับแล้วขอถามหน่อยเถอะสมมุติว่าคุณจะใช้เซรุม่มคุณจะใช้เซรุ่มชนิดไหน ในเมื่อคุณไม่เคยรู้จักพิษของแมลงชนิดนี้มาก่อนมันไม่ใช่พิษงูเหา่างูจงอางหรือ ง, งูมีพิษอื่นๆอันคุณอาจจะเตรียมมาด้วยคราวนี้เบลคอแข็งระพินยิ้มให้นิดนึงอย่างปลอบใจเขาเข้าใจความรู้สึกของนายจ้างทุกคนดีกล่าวต่อมาว่าวางใจผมนะครับ ในเรื่องพิจักงูหรือแมลงทุกชนิดในป่านี่ถ้าเป็ น, นาการเจ็บป่วยที่คุณหาสมมุติฐานของมันได้แล้วก็ผมจะปล่อยเป็นหน้าที่ของพวกคุณในฐานะแพทย์แต่ในเรื่องภัยมืดซึ่งพวกคุณก็ไม่รู้ที่มาก่อนแบบนี้ขอให้ฝ่ายผมเป็นผู้จัดการให้ความปลอดภัยดีกว่าครับเบลมองหน้าเพื่อนสาวผู้มีอาการสลบนิ่งอีกครั้งและส่งมือให้เขาจับ ฝืนยิ้มให้โอเคฉันและพวกเราทุกคนจะเชื่อคุณซูเปอร์แมนเปล่าหรอครับเบรผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรอกเพราะถ้าเป็นซูเปอร์แมนก็คงไม่ต้องไปนอนแองแม่งให้คุณและพวกคุณต้องวุ่นวายช่วยกันรักษาพยาบาลตั้งแต่เย็นวานตลอดมาจนกระทั่งกว่าครึ่งวันของวันนี้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันสุดแต่ว่าฝ่ายใดจะถนัดอย่างใดเท่านั้น ไอ้เซโลหิตตีผมไม่มีทางจะช่วยอะไรตัวเองได้ก็ต้องอาศัยยาของคุณแต่ถ้างูหรือแมลงมีพิษกัดต่อยผมก็ช่วยคุณได้เหมือนกันยาผมจะศักดิ์สิทธิ์กว่าเซรุ่มของคุณมากนะครับเบลเพราะถ้าถอนพิษหมดคนเจ็บจะไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะต้องนอนสมรักษาตัวให้เสียเวลาต่อไปไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็ไม่อักเสบใดๆทั้งสิ้นครับ